ต่อจากนี้ไปจะเป็ น, ปนการสอ น, สอนวิธี<ม>ใช้ใชริ<ม>ว่าบุญที่พวกเราได้ทำกันมานั้นจะนำเอาบุญมาใช้ได้อย่างไรแด้จากกำหนดบุญโดยวิธีไหนเพื่อที่พวกเราจะได้รู้และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใ จ, จเจริญสมาธิภาวนากันนะ เอาใจหยุดนิ่งๆหรือทําความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องพร้อมกับนึกถึงบุญที่เราทําผ่านมานับพบนับชาติไม่ทวนจนกระทั่งมาถึงวันนี้แม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำบุญอะไรแต่แค่เพียงเราจดใจและนึกนิดเดียวว่าบุญที่เราทําผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไม่ท่วนน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้าง พอเรานึกใจซุดเป็นท่าสำเร็จรอยู่แล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ใจเป็นท่าสำเร็จถ้าเรานึกถึงใครบางคนที่ทําให้เราขุนมัวนึกถึงคำพูดเรื่องราวต่างๆที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยและเหตุการณ์ก็ผ่านมานานแล้วพอนึกก็จะมีอายตนะไปดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมา ทำให้เราขุ่นมัวได้บุญก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบ่ยบอยๆซ้ำๆแม้กาะเวลาผ่านมาเราจำไม่ได้เพราะมันเป็นพบในอดีตก็ตามหรือปัจจุบันจาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามมันก็จะไปเชื่อมกันกระทั่งมาถึงบุญล่าสุดที่เราทำผ่านไปก็จะไปเชื่อมกันมารวมเป็นดวงบุญใสๆที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเรา ดวง บ, บุญและคุณสมบัติของบุญดวงบุญนี้จะกรมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจียระไนแล้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจะใสใสแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวนันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่เคืองตาเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่ว่ามันเย็นกว่านั้นนะเย็นสบายไม่ใช่เย็นหนาวเยี่ยยเยืแต่มันเย็นสบาย ดวงบุญนี้เป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยชเจาเช่นทำให้เรามีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุยืนยาวทำให้เรามีโภกทศัพท์สมบัติมีคุณสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น บุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตบางทีเราเรียนจบอย่างหนึง่งจบแล้วก็ไม่ได้ใช้วิชาที่เรยียนมาแต่กลับไปประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึง่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญนั่นแหละบางครั้งก็ได้มาอย่างง่ายบางครั้งก็ต้องหนึ่งสมองสองมือเป็นต้นแต่ทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสาเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานในการศึกษาเล่าเรียนข้าวสากอุปรสรรคต่างๆหรือมีอุปรสรรคน้อยเป็นต้นบุญทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกมีทิพยะยสมบัติมากมายมีบริวารอันเป็นทิพย์เป็นต้นแล้วก็ยังส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานได้ทั้งหมดมีบุญเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปถึงตรงนั้น บุญคือสิ่งที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในกลางกายให้นึกถึงบุญนี้นึกเอาไว้เรื่อยๆบุญถึงจะสู้กับบาปอกุศลได้บาปอกุศลก็จะส่งผลตรงกันข้ามให้เรามีอุปรสรรคของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงดวงบุญใสๆสติดอยู่ในศูนย์กลางกายทาให้ติดเป็นอุปุปนิสัย และให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะหยุดใจเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและเมื่อใจหยุดนิ่งๆ น, นุ่มๆเบาๆสบายก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการนึกถึงบุญบ่อยๆจะทำให้บาปไม่ได้ช่องและจะทำให้ใจเรามีปิติมีความสุขมีความเบิกบานมีความภาคภูมิใจในการเวลาที่ผ่านมา ที่เราได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นไปเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเช่นเดียวกับพระอริยะเจ้าพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงอย่างสบายๆไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกว่ามีดวงบุญอยู่ในกลางท้องของเราที่เป็นดวงใสๆอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปเค้นภาพเพราะจะทำให้เราเกิดความตึงเครียดที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่มีผลดีต่อการปฏิบัติเรามีวัตถุประสงค์จะให้ใจไปหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดด้วยการเริ่มนึกถึงบุญเท่านั้นส่วนชัดหรือไม่ชัดนั้นเป็นเรื่องที่ใจเราละเอียดแค่ไหนหยุดนิ่งไปได้ในระดับไหน ละเอียดมากมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาเองถ้าละเอียดตานกลางความชัดเจนก็จะหย่อนลงมาละเอียดน้อยก็แค่มีความรู้สึกว่ามีอยู่แต่ณจุดที่เราเริ่มต้นจากความคิดที่ว่ามีอยู่นี้จะทําให้เข้าไปถึงมีจริงต่อไปถ้าเราให้โอกาสตัวเราโดยนึกอย่างนี้บ่อยๆในทุกเอือยาปวนั่งนอนยืนเดิน ในทุกๆ ก, กิจกรรมไม่ว่าจะทำมาหากินครองเลือนหรือศึกษาเล่าเรียนก็ตามให้โอกาสตัวเราเองบ่อยๆในการนึกถึงบุญไม่ช้าใจก็จะละเอียดขึ้นเองดวงบุญก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นชัดแจ๋วจ่งแจ้งขึ้นมาในกลางท้องกลางกายของเราซึ่งในตอนนั้นความรู้สึกว่ามีร่างกายมันหายไป ในความรู้สึกว่าดูตรงกลางนั้นมีอยู่สิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทาซ้ำๆให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ยิ่งกว่าชีวิตของเราหรืออย่างน้อยก็เสมอเหมือนชีวิตของเรานึกซ้าๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆ ค, คุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่เจดแล้วก็จะเคยชินไปในที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกไปอย่างสบายๆ อย่าลืมปรับเหลือกตาท่านั่งการผ่อนคลายทำความรู้สึกนิ่งๆ น, นุ่มๆเบาๆสบายๆไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นี่คือวิธีการเดียวที่จะทำให้เราเห็นดวงบุญชัดแล้วใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้อีกแล้วที่จะทำให้เราสมหวังสมปรารถนาในชีวิต และถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่ยากกว่านี้ที่เจอปัญหาและแรงกดดันเรายังให้ความสำคัญพุ่งเทชีวิตจิตใจเพื่อการนั้นทั้งที่ประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่กับสิ่งที่เราสูญเสียไปเช่นเงินตราเวลาและอารมณ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุ้มค่าสมที่เสียเงินตราเวลาและอารมณ์ไม่มีอะไรที่จะง่าย หือดีที่สุดกว่าการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆตรงนี้หยุดหยุดเป็นตัวสมเร็จที่จะทำให้เราสมหวังในชีวิตพบกับความพึงพอใจอันสูงสุดเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ของใจอนุภาพของใจดวงปัญญามหากรุณาความรักและราถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศา ส, สนาและเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เราหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายตอนนี้เรากำลังนึกถึงดวงบุญเราก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยอฤิกรรมภาวนา เวลาที่เราเหลืออยู่นี้เราก็ฝึกฝนกันไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะหลวข้อสอนว่าเมื่อเราได้บุญแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะรักษาบุญอย่างไรเพราะเราไม่เห็นบุญเราต้องเอาใจไปจดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้กายมนุษย์ของเราทําใจให้หยุดนิ่งบังคับใจให้หยุดนิ่ง ว่าบุญของเรามีอยู่ตรงนี้ถ้าพอใจหยุดได้แล้วและถูกส่วนเข้าแล้วเราก็จะเห็นดวงบุญของเราเห็นชัดเจนทีเดียวถ้าเราไปเห็นดวงบุญเช่นนั้นเราจะปราบพ้่งใจเพียงใดย่อมดีอกดีใจเป็นที่สุดจะหาเครื่องเปรียบไม่ได้เลยฉะนั้นจงวยายาณบุษราเอาใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรม ท, ที่ทาให้เป็นกายมนุษย์นึกถึงบุญที่เราได้ทากระทาในวันนี้ อย่าไปติดขัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยถ้าไปค้าขายติดขัดขึ้นก็ขอให้บุญช่วยนึกถึงบุญตรงกลางดวงธรรมนั้นถ้าว่ามีอุปสรรคเข้ามาแทรกแซงอย่างใดอย่างหนึ่งมีผู้มาปลุกรุกเบียดเบียนประการใดก็ขอให้บุญช่วยไม่ต้องไปขอร้องให้ใครมาช่วยให้เอาใจไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงบุญนั่นแหละหยุดอยู่นิ่งหยุดอย่างนั้นบุญเป็นช่วยได้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย เราก็เหมือนกันสแสวงหาบุญสร้างบารมีบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้บุญแล้วก็ให้ใจจดจอยู่ที่บุญนั้นเมื่อประสบภัยได้ทุกข์ยากระการใดก็นึกถึงบุญนั้นอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นให้เหลวไหลอย่าไปนึกถึงผีผีมันจะเป็นอะไรผีสู้มนุษย์ไม่ได้ผีมันตายไปจากมนุษย์จึงกลายเป็นผีมนุษย์พิเศษกว่าผีมากนกผีจึงสู้มนุษย์ไม่ได้ ไปนับถือเจ้าเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเจ้าตายไปจากมนุษย์แล้วเจ้าผีเจ้าสางสู้มนุษย์ไม่ได้แพ้มนุษย์ทั้งนั้นมนุษย์นี้เป็นผู้มีฤทธิ์เดชมากกว่าหรือนึกถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไหว้ต้นไม้ต้นไม้จะทําอะไรได้เราเอามาทําฟืนหุงหาอาหารผ่าเอามาทําฟืนหุงข้าวอยู่เรื่อยๆเอามาทําบานประตูหน้าต่างมาทําพื้นบ้านแล้วมันจะมาทําอะไรให้เราได้ ต้องนึกถึงบุญสิ่งอื่นอย่าไปนึกนึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อต้องภัยได้รับทุกข์ยากลำ บ, บากอย่างใดก็ให้นึกถึงบุญเอาใจไปจดอยู่ที่บุญทามาค้าขายอะไรก็ให้เอาใจไปจดอยู่ที่บุญนั้นจะได้ค้าขายคล่องได้กำไรเกินควรเกินค่าจะไปทำนาจะทำสวนก็ใจจดอยู่ที่บุญนั้นบุญจะให้ผลของนาและสวนเกินค่า ไปรับราชการเข้าใจไปจดอยู่ที่บุญนั้นหน้าที่ราชการก็จะรุ่งโรดโชตนาการยิ่งขึ้นใหญ่ถ้าปกครองบ้านเรือนก็ใจจดอยู่ที่บุญนั้นเหมือนกันบ้านเรือนก็จะรุ่งเรืองอย่าเอาใจไปจดอยู่ที่อื่นจะเป็นต้นไม้ขี้วัวขี้ควายอะไรจิปาถะชื่อว่ า, วาหาทุญได้แต่ใช้ทุญ <จะ S 2> ไม่เป็นเมื่อเราได้ถวายทานได้รักษาสิ่งเจริญภาวนาแล้ว ก็ต้องให้เห็นผลทานให้เห็นผลศีลและให้เห็นผลของการเจริญภาวนาจึงจะได้ชื่อว่าเราทําบุญรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วใช้บุญใช้ศีลและใช้ภาวนาเป็นอย่าเกียจคร้านจงหมั่นพยายามบาเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้ให้เสมอเพื่อเราจะได้รับความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ขอท่านผู้เป็นเมธีปัญญาท่านายฟังมณัติการกําหนดไว้ในใจของตนทั่วหน้าว่าสภาพที่เป็นธรรมนิยมนำสัตว์ไปสู่สุคติและสภาพที่เป็นอธรรมนิยมนําสัตว์ไปสู่ทุคติสภาพที่เป็นบุญก็ย่อมนำสัตว์ไปสู่สุคติสภาพที่เป็นบาปก็ย่อมนำสัตว์ไปสู่ทุคติสภาพที่เป็นบุญเป็นดวงใสติดอยู่ในศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นมนุษย์ สภาพที่เป็นบาปเป็นดวงดำที่จยด่ในศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์แบบเดียวกันถ้าดวงบุญใหญ่โตกว่าก็านำไปสู่สวรรค์ถ้าดวงบาปใหญ่โตกว่าก็าสู่นรกใครจะแก้ไข ย, ยังใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นย่อมเป็นไปตามคติของตนเหมือนหญิงชายจะเป็นสามีภรรยากันใครก็แล้วแต่จะต้องตกลงใจของกันและกันเองฉะนั้น การที่สัตว์จะไปสู่ทุคติพบดึงดูดมีอยู่ทำชั่วความชั่วไม่มีความดีเข้าไปดุนเจอเลยแม้แต่เพียงเท่าปลายผมปลายขนเพราะแตกกายทําลายขันโลกกันดึงดูดออกไปจะไปอยู่ที่อื่นใดไม่ได้ทั้งนั้นอนาญตนะบาปดึงดูดไปทันทีถ้าว่าพบหย่อนลงมาก่อนนั้นก็ไปอยู่ในอเวจีมหาปกนาลกเหล่านี้เป็นต้น แตะพอมาเกิดในจำพวกสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าทำความผิดไม่ถึงขนาดนั้นก็ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายตามลำดับไปถ้าทำความดีด้วยกายวาจาใจไม่มีความชั่วบาปเข้ามาเจอปนเลยเพราะแตดกายทำลายขันอจตนะของมนุษย์ดึงดูดเข้าสู่คำประสาทไปติดอยู่ในกาเนิดมนุษย์ถ้าดีขึ้นไปกว่า น, นี้ก็ไปเกิดในจาพวกเทวดาเป็นชั้น สูงขึ้นชั้นมาจาตุมหาราชชั้นดาวพฤหุงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นดิมมาณราดีชั้นปรมานิมมิตรวัศวดีสูงขึ้นไปตามสภาพของธรรมดึงดูดกันเองว่าตนได้ทําความดีไว้ขนาดเท่าไหร่ควรอยู่ควรเกิดที่ไหนเมื่อตรงกับอิจฉนะไหนอิจฉนะนั้นก็ดึงดูดไปเขามีอิจฉนะสําหรับเหนี่ยวรงังและดึงดูดกันทั้งนั้น เราติดอยู่ในมนุษย์นี้ไปไหนได้เมื่อไหร่ไปไม่ได้ทั้งนั้นอยากจะตายก็ตายไม่ได้บ่นไปเถอะก็ไม่ตายแต่พอถึงกําหนดไม่อยากตายก็ต้องตายจะถูกบังคับบัญชาอย่างนี้เสมอไปเหตุนี้เราจึงได้แสวงบุญบุญจะได้ไไ ด, ดึงดูดไ ป, ไปสู่สุคติทุกคติจะได้ ไ, ดไม่มีต่อตาย